สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาอภิบาลนะครับเราอยู่ในคิดพระเยซูตอนที่สองร้อยสี่สิบหกเรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่2ี่สิบเ็ดเป็นคำวิงวอนที่สามครับก็คือขอให้เป็นไปตามพระชทยของพระองค์ผมอยากจะขอทบทวนเมื่อวานนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการที่ว่าเราไม่อาจจะพูดว่า พูดวลีที่ว่าของข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถ้าว่าข้าพระองค์หรือข้าพระเจ้ายังมีชีวิตยอยู่เพื่อตัวเองเท่านั้นเราไม่อาจจะพูดว่าพระบิดาได้ถ้าว่าในแต่ละวันเรายังไม่มีความหิวกระหายที่จะประพฤติตามหรือประพฤติให้สมกับที่เป็นลูกของพระองค์เราไม่สา ม, มารถที่จะพูดหรืออธิษฐานว่า ผู้สถิตในสวรรค์ได้ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้สะสมทรัพสมบัติไว้ในสวรรค์นั้นเราไม่อาจที่จะอธิษฐานว่าขอให้พระนามของพระองค์ไปที่เขาลบสักการะหากชีวิตของเรายังไม่บริสุทธิ์หรือว่าไม่ได้ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความบริสุทธิ์เราไม่อาจจะพูดว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ได้ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้พยายามอย่างสุดกำลังเต็มที่ในการที่จะเร่งให้ถึงเวลาหรือมีชีวิตที่รอคอยแผ่นดินของพระองค์ เราไม่อาจจะอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระไตรปของพระองค์ได้หากเราไม่เชื่อฟังโภชนะของพระองค์เราไม่อาจจะอธิษฐานว่าในสวนเป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกได้ถ้าหากว่าเราไม่รับใช้ปฏิบัติพระองค์ที่นี่เริ่มต้นที่นี่และเดี๋ยวนี้เราไม่อาจจะพูดว่าขอโปรดทานอาหารประจําวันแก่ข้ามุ่งหลายในการเหวันนี้ได้ถ้าหากว่าเราไม่จัดซื่อและสวงหาครับสิ่งของอย่างท่อชน ห า, ากว่าเราไม่เราเราไม่สามารถที่จะขอโปรดยกบาปผิดของข้าพงได้ถ้ า, าว่าเรายังมีจิตใจที่ผูกใจเจ็บต่อคนอื่นและไม่ยอมยกโทษคนอื่นเราไม่อาจจะอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพข้าพงเข้าไปในการทดลองได้หากว่าเรายังปล่อยตัวปล่อยใจตามใจของตัวเองเราไม่อาจจะอธิษฐานว่าขอให้พ้นจากซึ่งทั่วร้ายได้หากว่าเรายังไม่สวมยุทธพันธ์ทั้งชุดของพระเจ้า เราไม่อาจจะพูดว่าราชสำนาาเป็นของพระองค์หากเรายังไม่ได้ถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์เราไม่สามารถยอมรับในฤทธิดเดชของพระองค์ได้หากเรายังกลัวแม้การกระทำของมนุษย์เราไม่สามารถที่จะถวายพระชื่อแด่พระองค์ได้หากเรายังแสวงหาเกียรติเพื่อตัวเองเราไม่อาจกล่าวว่าสืบสืบไปเป็นนิดได้หากชีวิตของเรายังผูกติดอยู่กับเวลา น้องครับคำอธิษฐานเหล่านี้นะครับเป็นคําอธิษฐานที่จอห์นแมกอาเธอร์จูเนียนะครับได้เขียนไว้ในหนังสือาการอธิษฐานตามแบบของพระเยซูจากการที่ท่านได้ศึกษาคําอธิษฐานทั้งหมดนี้ทําให้ท่านได้เห็นแนวคิดที่ว่าแผนการของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นั้นก็คือคําอธิษฐานคําอธิษฐานนี้เองครับพี่น้องครับคําอธิษฐานนี้เองก็คือคำอธิฐานที่ว่าขอให้เป็นไปตามพระทัย นี่คือแผนการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าครับเรากําลังอธิษฐานทุกครั้งที่เรอธิษฐานเราอธิษฐานปเปลี่ยนชีวิตของเราปรเปลี่ยนความคิดปเปลี่ยนไม้เซตของเราปรเปลี่ยนสมองของเราปรเปลี่ยนการให้เหตุผลของเราให้สอดคล้องกับน้ํำพระทยของพระเจ้าพี่น้องครับในภาษากรีกประโยคง่ายๆนี้นะครับบอกบางสิ่งบางอย่างที่ว่าเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทยของพระองค์ ทรงประสงค์ให้เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นถ้าพระองค์ยินดีที่ให้เป็นอย่างนั้นถ้าพระองค์เต็มใจและพร้อมที่จะรับน้ำพรไทัยของพระองค์ในพระสักร์เพิ่มเติมว่าในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกอีกนยัยยะหนึ่งก็คือว่าพรงเจ้าข้าขอทรงทําในสิ่งที่พระองค์ปรารถนาเถิดนี่เป็นสาระสําคัญในการอธิษฐานในคําวิงวอนที่สามนี้ครับพี่น้องผมอยากจะยกตัวอย่างนะครับ สองตัวอย่างมีคนหนึ่งครับชื่อว่าโอมาเคยมโอมาเคยมได้วาดมโนภาพอันน่าอัศจรรย์ว่าพระเจ้าทรงเป็นเหมือนผู้เล่นหมากรุกเราทั้งหลายเปรียบเสมือนกับเป็นตัวหมาครับที่พระเจ้ามีอำ น, นาจสิทธขาดในการเดินตัวหมาเคลื่อนย้ายตัวหมาแห่งชีวิตของเราไปตาม พระราช ด, ดําริของระงและเมื่อจบเกมในที่สุดแล้วระงก็รวบรวมตัวหมากเหล่านั้นเก็บกลับเข้าไปไว้ในกล่องเหมือนเดิมพี่น้องครับมันโอภาพอันนี้หรือภาพอันนี้เป็นภาพที่อัศจรรย์มากครับเมื่อเราคิดว่าถึงเวลาที่จบเกมครับเราทุกคนก็จะถูกพระเจ้ารวบรวมกลับเข้าไปในกล่อง ก็คือในโรงศพ ค, ครับพี่น้องครับเมื่ออธิษฐานว่าขอให้ไปตามน้ำมัยของพระองค์หลายหลาคนอธิษฐานด้วยความขับข้องใจขุนเคืองใจเพราะว่าเขารู้ว่าพวกเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงน้ำมัธยของพระองค์ได้จึงรู้สึกขับข้องและขุ่นเคืองใจบางคนถึงขนาดโกรธนี่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการขาดความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระวจนะของพระเจา้า ขาดความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าครับเพราะว่าเขาวาดมโนภาพของเขาหรือมโนขึ้นมาเองครับเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นนักผดเด็จการทรงเอาแต่ใจตัวเองมีแต่ความโหดร้ายทารุณแล้วก็กดขี่ข่มเหงพวกเราพี่น้องครับพอเจ้านของพระเจ้าพระเยซูได้หนุในใจเรานะครับดาวิดก็ได้หนุในใจเราเรามาดูที่ดาวิดก่อนนะครับดาวิด ได้หนุนแจวในพระธรรมสุตดีบทที่สี่สิบข้อที่แปดบอกว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ปิติยินดีที่จะกระทําตามน้ําพระทัยของพระองค์พี่น้องครับคําว่าปิติยินดีที่จะกระทําตามน้ำพระทัยของพระองค์หมายความว่าเต็มใจเพราะเขารู้จักพระเจ้าพอสมควรจนที่เขาจะไว้วางใจพระเจ้าได้ว่าน้ำพระทัยของพระองค์นั้นดีเลิศมีเพลงเพลงหนึ่งบอกว่าน้ําพระทัยของพระองค์ดีเลิศแผนการของพระองค์ประเสริฐ พระเยซูก็สอนเช่นเดียวกันครับในยอห์นบทที่สี่ข้อที่สามิบสบอกว่าอาหารของเราคือการกระทําตามพระไถ่ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาในยอห์นบทที่หกข้อสามสิบแปดก็พูดเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์นิใครเพื่อกระทําตามความประสงค์ของเราเองแต่เพื่อกระทําตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา พที่บดที่สิบส้าสิบอกว่าด้วยว่าผู้ใด จ, จะกระทาตามพระไพระบิดดาของเราคู่นั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงไดมารดาของเราพี่น้องครับเรานะครับอยู่ในน้ํามัทไธของพระเจ้าในขณะเดียวกันครับเราก็ต้องอธิษฐานขอให้น้ํามัทไธของพระองค์สำเร็จนี่คือการเชื่อฟังบางคนนะครับอธิษฐานว่าขอให้น้ํามัทไธของพระองค์สำเร็จหรือขอให้เป็นไปตามพระไทรของพระองค์ อธิษฐานแบบกัดฟันครับเมื่อกี้ผมพูดบอกว่าบางคนอธิษฐานแบบขุนเครืองทับข้องนะครับใจแต่บางคนอธิษฐานแบบกัดฟันกัดฟันพูดว่าไ ง, งครับกัดฟันพูดหลังจากที่คนคนนั้นสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปหรือพบปัญหารักแร้าว อ, อกหักหรือพบมรสุมชีวิตเรื่องง่ายเข้าอื่นๆีจรองครับ บางคนอาจจะไม่ได้พูดว่าขอให้เป็นประธานพระไทยของพระองค์ด้วยความขุ่นเคืองแต่ก็พูดออกมาด้วยความรู้สึกแบบที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธได้การพูดของคนแบบนี้นะครับไม่ได้เกิดจากขาข า, ขาดความรู้ในเรื่องพระเจ้าอย่างเดียวแต่เกิดจากการขาดความเชื่อด้วยครับพี่น้องขาดความรู้นะครับทําให้เรารับน้านพระไทยของพระเจ้าไม่ได้ขาดความเชื่อทําให้เราสงสัย นำมาส่ายของพระองค์สงสัยในความปรารถนาดีที่พระองค์มีต่อชีวิตของเราและจริงแล้วสิ่งที่พวกที่ขาดความเชื่อพูดก็คือว่าพระเจ้าข้าข้าพงศไม่มีความเชื่อว่าคําอธิษฐานของข้าพงศ์จะมีประโยชน์อะไรแต่ข้าพงศ์ก็ต้องอธิษฐานเพราะว่านั่นเป็นสิ่งเดียวที่ทําได้พี่น้องครับนี่คือสาระสําคัญในวันนี้ <c oughs> ถ้ า, ากว่าพี่น้องฟังแล้ว ยังไม่เข้าใจนะครับผมแนะนำให้ถอยกลับไปฟังอีกครั้งหนงแต่พี่น้องจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นผมอยากจะสุบในข้าววันนี้นะครับว่าการอิษฐานจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักพระเจ้านะครับให้มากขึ้นกว่านี้และมีท่าทีแห่งการเชื่อฟังพระองค์มากขึ้นกว่านี้เมื่อเราอิษฐานกองว่าขอให้เป็นไปตามพรทยของพระองค์ สาม